จะไม่ได้มาวันพุธนี้นะครับผมก็อยากจะกล่วาวคำอวยพรว่าแฮปปี้วาเลนไทน์อยากจะให้พวกเราในหันไปทางซ้ายทางขวาไหมก็บอกแฮปปี้วาเลนไทน์เพราะว่าวันพุธนี้ก็ถึงแล้วนะครับหลายท่านอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันนะครับแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้า คนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าความรักของพระเจ้าที่มีมาถึงเราทั้งหลายนะั้นเป็นความรักที่พระเจ้าคอยปกป้องดูแลช่วยเหลือเราตลอดเวลาและฉุดเราไว้เมื่อเราพลั้งพลาดบางครั้งความรักนี้อาจจะทําให้เราหลายหลคนเจ็บปวดได้บ้างมีรอยแผลบ้างเพราะว่าเราพลาด เ, เองแต่พระเจ้าจะไม่ยอมให้เราหลุดออกจากมือที่แข็งแรงของพระองค์ความรัก ที่คอยฉุดรั้งเราไว้ในสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตถ้าเรายอมให้พระเจ้าจับมือเราและช่วยเราพระองค์จะไม่ยอมปล่อยมือเราให้หลุดไปเลยเพราะเจ้นของพระเจ้าได้ทำให้เราทั้งหลายได้รู้ถึงการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าพระเจ้าใช้ความรักของพระองค์ดูแลบรรดาประชากรของพระเจ้าลูกของพระองค์เสมอและความรักนั้นก็เพียงพอและยิ่งใหญ่ และล้นไหลออกจากพระองค์เองมาถึงชีวิตของเราและเมื่อเราได้รับความรักของพระเจ้าแล้วเราบังเกิดจากพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าความรักนั้นจะไหลออกจากชีวิตของเรานั้นไปถึงคนอีกมากมายเพราะวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่ 15- บหข้อสิว่าบัญญัติของเราคือให้ทั้งหลายรักซึ่งกันและกันให้ทั้งหลายรักซึ่งกันและกันเหมือนดังที่เราได้รักท่านเพราะฉะนั้นนี่คือบัญชาของพระเจ้าครับ และเรารู้ว่าใครก็ตามที่รักนั้นก็บังเกิดจากพระเจ้าแน่นอนแล้วเรารู้ว่าเมื่ออะไรก็ตามที่เราประสบกับความรักของพระเจ้าและมาประสบการณ์กับพระองค์ในความรักนั้นเราก็จะสามารถใช้ความรักนั้นรักคนอื่นไปต่อไปได้ดาวิดด้วยเหตุนี้เองพี่น้องครับในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักที่มีต่อผู้อื่นเป็นความรักที่มีต่อเพื่อนบ้านครับเป็นความรักที่เราได้รับจากพระเจ้า เป็นความรักนั้นเป็นความรักเสียสละเป็นความรักที่ยอมอุทิศชีวิตถวายแด่พระองค์พระบัญชาของพระเจ้าต้องการให้เราทําตามและเมื่อเราสามารถทําได้แล้วพระเจ้าจะเสริมกําลังและอวยพรเราพระองค์จะไม่ตรัสหรือคาดหวังในสิ่งที่เราทําไม่ได้พระเจ้าให้เรารักซึ่งกันและกันพระเจ้าให้เรารักซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเราและความรักที่เรามีต่อกันนั้นมีอยู่ มีผลประโยชน์อยู่สองอย่างด้วยกันก็คือว่า 1. เราจะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอันที่สองก็คือเราเองนั้นจะเป็นพยานทำให้คนอื่นเมื่อเขาเห็นความรักที่เรามีต่อกันคนอื่นจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์คนที่เต็มด้วยเพียมยามสุดคือคนที่ยอมให้พระเจ้าได้เข้ามาทำงานผ่านชีวิตของเราหลายครั้งคนที่เต็มด้วยเพียมามสุดบางคนเข้าใจผิดครับนึกว่าจะต้องพูดภาษาแปลกหรือการเจิมหัวเราะ หรือต้องมีอาการแปล ก, ปลกๆหลายอย่างจริงๆแล้วคนที่ถูกเจิมด้วยพิมพ์ยันสุดคนที่เต็มรุวนด้วยพิมพ์ยันสุดคนที่ประกอบด้วยพิมพ์ญันสุดเขาจะมีความรักล้นไหลออกมาเขาจะมีผลของพิมพ์ยันล้นไหลออกมาไม่เพียงแต่หลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นกันอยู่ภายนอกในขณะนี้เท่านั้นพี่น้องครับพะมพ์ญันนั้นทำงานผ่านความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า ในพระเจนะของพระเจ้านั้นบอกให้เราสร้างชีวิตของกันและกันนั้นด้วยความรักและในพระเจนะของพระเจ้าในวันนี้ทําให้เราเห็นถึงลักษณะของความรักที่พระเจ้าต้องการนั้นมีอยู่สาประการเป็นอย่างน้อยด้วยกันนะครับประการแรกก็คือพระวจนะพระเจ้าบอกให้เรารักด้วยการกระทําเราไม่ได้รักการด้วยคําพูดเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่สําคัญประการแรกครับ ในธรรมหนึ่งยอห์นบทที่3าข้อสิได้กล่าวว่าลูกทั้งหลายเ อ, อย่ยยาให้เรารักกันด้วยคําพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทําและด้วยความจริงพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างความรักของเราความจริงแห่งความรักของพระเยซูคือพระองค์ไม่ได้รอให้เรามาสรรเสริญหรือรักพระองก่อนแต่พระองค์นั้นทรงโปรแอคทีฟก็คือพระองค์ทรงเป็นผู้เริ่มต้นรักเราก่อนและเมื่อเรารับความรักของพระเจ้า เมื่อเรายังเป็นคนบาปเมื่อเราองขาดกําลังอยู่นั้นพระเจ้าได้ทรงสิ้นพระชนพระเยซุคริตได้ส่งสิ้นพระชนในเวลาที่เหมาะสมในขณะที่เราเป็นศัตรูของพระเจ้าพเพิ่งพีบอกว่าไม่มีความรักที่ใดที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ครับคือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนนี่คือสิ่งที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าทําให้เรารู้ว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ความรักที่สูงสุดก็คือการยอมตายเพื่อคนที่รักแต่ความรักที่สูงกว่านั้นก็คือการยอมตายแทนคนที่ไม่รักเราการตายแทนศัตรูนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงสำแดงความรักที่สูงสุดกว่าเรากับเราแล้วก็คือเดิมทีนั้นเราเป็นศัตรูของพระเจ้าเราสามารถกลับคืนดีกับพระเจ้าได้โดยการสิ้นพระชนการสละชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่มีมาถึงพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราเองก็ควรจะ เรียนแบบความรักของพระเยซูในชีวิตของเราเราควรจะสัมเดงความรักให้กับคนที่ทําให้เราเจ็บปวดเราควรจะมีท่าทีในการสร้างชีวิตบนความรักของพระเจ้าอะไรอะไรก็ดูเป็นสิ่งเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นคํานินทาคําตําหนิติเตียนคําวิพากษ์วิจารณ์อคติหรือการถูกใส่ร้ายการถูกเอาเปรียบสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับความรักของพระเจ้าขอให้เราแสดงความรัก ต่อคนที่ทำให้เราเจ็บปวดนั่นคือประการแรกครับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นความรักที่อยู่เหนือคำวิพากษ์วิจารณ์เป็นความรักที่อยู่เหนือก า, ารถูกใส่ร้ายเป็นความรักที่อยู่เห น, อเ น, อเนือการเข้าใจผิดทุกชนิดขอให้พระเจ้าที่จะเปี่ยมล้นในชีวิตของเราด้วยความรักของพระเจ้าที่จะให้เรารักผู้อื่นโดยพระคุณของพระเจ้า ฟิลิปปีบทที่ส13บอกว่าข้าพเจ้าผานจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้สึกว่าขาดความรักเราทูลขอความรักจากพระเจ้าของเราพระบิดาของเราขอให้พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปี่ยมล้นในชีวิตของเราและให้ความรักนั้นเต็มล้นอยู่ในหัวใจของเราเพื่อที่เราจะรักคนอื่นได้นี่เป็นประการแรกครับความรักของพระเจ้านั้นเกิดด้วยการกระทำประการที่สองครับความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่เสริมสร้างขึ้น ลักษณะความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่เสริมสร้างขึ้นเป็นการเสริมสร้างที่หลายหลยครั้งทีเดียวคนที่รับการเสริมสร้างหรือคนที่จะรักคนอื่นนั้นต้องเจ็บปวดสุภาษิตบทที่3ามข้อสิบอบอกว่าพระเจ้าทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรผู้ที่เขาปีติชื่นชมพระเจ้าตักเตือนผู้ที่พระเจ้าทรงรักเหมือนกับพ่อที่ตักเตือนลูกที่คุณพ่อรัก ความรักเสริมสร้างแบบพระเจ้าเป็นความรักที่แสดงออกอย่างไรบ้างนะครับเป็นความรักที่แสดงออกโดยการตักเตือนโดยการลงวินัยเพื่อปรับปรุงเพื่อนครับเราจะเห็นถึงขั้นตอนในการแสดงความรักที่เสริมสร้างหลายครั้งทีเดียวครับเราแสดงความรักด้วยคำพูดจะเป็นคำอ่อนหวานหรือจะเป็นการเอาออัจ แต่ความรักแบบพระเจ้านั้นเป็นความรักที่เสริมสร้างซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สองนี้บอกว่าจะต้องตักเตือนซึ่งกันและกันเมื่อเห็นใครทำผิดทำอะไรที่ไม่เหมาะสมหากเรารักเขาจริงต้องเตือนเขาเหมือนกับลูกของเราครับลูกของคนอื่นเราอาจจะไม่เตือนนะครับแต่ลูกของเราเราเตือนพระเจ้านั้นเตือนเราเพราะว่าพระองค์รักเราเราเองนั้นเมื่อเราจะสําดงความรักต่อคนอื่นเราก็ต้องเตือนเขาในสิ่งที่เขาทาผิด พี่น้องครับจากตรงนี้เองเราเห็นว่าในสังคมไทยเราขาดสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเป็นผู้ร้ายไม่มีใครอยากจะให้คนอื่นไม่ชอบเวลาที่ตักเตือนนะครับหรือเตือนสติเนี่ยปังพีบอกว่าต้องเตือนด้วยความรักให้กนสัมผัสว่าคําเตือนของเรานั้นเต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาดีนี่คือสิ่งที่พังพีสอนถ้าเรารักลูกของเราถ้าเรารักเพื่อนบ้านถ้าเรารัก รับใช้ถ้าเรารักอนุชนนะครับเรารักคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเวลาเราเห็นเขาทําอะไรไม่ถูกต้องตามพระกัมภีร์แล้วเราต้องเตือนเขาเวลาอะไรที่เราเห็นความผิดพลาดเกิดขึ้นต้องเตือนเขานี่คือการสำแดงความรักที่แท้จริงเพื่อให้เกิดการปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงครับเพียงครับในสมัยนี้นะครับการตักเตือนการลงวิในนะครับมันเกิดน้อยมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้รักกันจริงๆ เรารักกันด้วยปากแต่ว่าเราไม่ได้รักกันจริงๆเพื่อที่จะเตือนสติซึ่งกันและกันเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขเราไม่ได้สอนพระเจ้าของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาเพื่อที่เราจะให้พรนะเจ้านั้นเป็นเครื่องมือชี้วัดเครื่องมือที่จะนําทางเราหลายใครั้งทีเดียวทําให้การลงวินัยเกิดขึ้นไม่ได้หรือการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นไม่ได้การปรับปรุงแก้ไขเกิดขึ้นไม่ได้พี่น้องครับหลายใครั้งชีวิตของเราก็ประณีบนอมเยอะมากมายครับ เยอะแยะมากมายในเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราแต่ความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่ต้องเสริมสร้างขึ้นประการต่อไปครับความรักที่เสริมสร้างขึ้นนั้นเป็นความรักที่มองข้ามความผิดพลาดและไม่จดจำความผิดขอภาพต่อไปนะครับรักที่เสริมสร้างขึ้นเป็นรักที่มองข้ามความผิดพลาดและไม่จดจำความผิดสุภาษิตบทที่ 10: ข้อบอกว่า ความเกลียดชังเราให้เกิดการวิวาทแต่ความรักครอบงำบรรดาการทรยศเสียการครอบงำก็คือการครอบคลุมนะครับการมองข้ามความวิวาสการมองข้ามความผิดพลาดและไม่จดจำความผิดความรักเสริมสร้างนะครับเป็นความรักที่มองข้ามมองทะลุความผิดพลาดให้การอภัยและไม่จดจำความผิดประการต่อไปความรักที่เสริมสร้างขึ้นั้นเป็นความรักที่ไม่ทาอันตรายเพื่อนบ้าน ลงบที่13บสาข้อที่10ครับความรักไม่ทำอันต ร, รายเพื่อนบ้านเลยเหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนการไม่ทำอันต ร, รายเพื่อนบ้านมันรวมถึงการที่เราจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เตือนสตินะครับแต่เราจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีรับหลังเขานี่คือสิ่งที่ทายากมากในสังคมปัจจุบันนี้ พวกเราทุกคนนั้นตกอยู่ภายใต้การล่อลวงและกับดักของมารซาตานก็คือว่าเรามักจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีรับหลังคนอื่นแทนที่จะพูดต่อหน้าเขานั่นคือสิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตของเราในการตอบสนองต่อคําพูดที่ไม่ดีเปะคัมีบอกว่าเมื่อเราเห็นพี่น้องทําผิดเราจะต้องไปขอโทษเขาคืนดีกับเขาเสียก่อนนั่นแหละครับคือการปรับความเข้าใจนั่นแหละครับคือการไม่ทําอันตรายหรือไม่ทํำร้ายเพื่อนบ้าน พี่น้องครับความรักที่เสริมสร้างขึ้นนั้นเป็นความรักที่ไม่ได้เป็นความรักที่หอมหวานนะครับไม่ได้เองความรักที่เหมือนกับดอกไม้ที่สวยงามนะครับเป็นความรักแบบเข้มข้นเป็นความรักแบบไม่เรียวเป็นความรักแบบการตีสอนเป็นความรักแบบการเตือนสติเป็นความรักที่ในที่สุดแล้วต้องแสดงออกด้วยการไม่ทําอันตรายซึ่งกันและกันไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันนี่เป็นความรักแบบพระเยซูประการต่อไปครับ พระเยซูทรงสำแดงบทแบบอย่างหรือบทเรียนแห่งความรักก็คือเป็นความรักที่สามารถรักได้แม้กระทั่งศัตรูเราควรรักศัตรูของเราโดยการทำดีต่อเขาพระบิดาบอกว่าจงรักศัตรูของท่านและทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านและจงอวยพรเขาอาธิษฐานเผื่อเขาพี่น้องครับและมีอีกอันหนึ่งก็คือเราจะต้องอย่าเอาคืนที่นี่บอกว่ามีสามออ่างนะครับ หนึ่งอวยพรสองอธิษฐานสามอย่าเอาคืนเพราะฉะนั้นของพระเจ้าชัดเจนครับในมัทธรรมลูกาบทที่หกข้อยีดถึงสาบผมยื่นข้อ27ดถึงสาสิให้พี่น้องฟังนะครับแต่เราบอกทั้งหลายที่กําลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทําดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่ผู้ที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เขี้ยวเข็นท่านผู้ใดตบแก้งของท่านข้างหนึ่งจงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยผู้ใดริบเอาเสื้อคลุมท่านไปถ้าเขาจะเอาเสื้อด้วยก็อย่าหวง จงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่านและถ้าใครได้ริบของของท่านไปอย่าทวงเอาคืนพี่น้องตรงนี้จะเห็นสอออ่างด้วยกันหนึ่งคือวอวยพรเขาสองคืออธิษฐานเผื่อเขาสาคืออย่าเอาคืน3ามอ้ออ่างนี้นะครับวอวยพรอธิษฐานแล้วก็อย่าเอาคืนอย่าเอาคืนนั่นปรากฏอยู่ในข้อที่30ครับและท่านและถ้าใครได้ริบ ข, ของของท่านไปอย่าทวงเอาคืนนั่นหมายความว่าเราถูก เขาเอาเปรียบนะครับใครที่ริบของของเราไปอย่าทวงเอาคืนนั่นคือความรักที่สามารถรักได้แม้กระทั่งศัตรูพี่น้องครับพอพูดถึงตรงนี้นะครับหลายท่านบอกว่าอาจารย์มันทฤษฎีมากเลยนะมันเป็นสิ่งที่เป็นอุดมคติมากเลยนะใครจะทําได้ผมหนุนใจหลา ย, ลยท่านไปนะครับบอกว่าแม้กระั่ผมก็ยังทําไม่ได้หมดพี่น้องครับเราเป็นคนบาปเราเป็นคนที่อ่อนแอ แต่เราต้องขอพระเจ้าช่วยเราเมื่อเราทำบาปเราทำผิดเราต้องอธิษฐานสารภาพบาปกับใจใหม่ด้วยความถ่อมใจพร้อมทีม่จะเชื่อฟังพระเจ้าและเมื่อเราก็ตามเมื่อใดก็ตามที่เราพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พร้อมที่จะทำงานของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถที่จะเปลี่ยมล้นในชีวิตของเราได้พระวิญญสุทก็สามารถเจิมชีวิตของเราได้ให้เราที่จะมีความรักที่มาจากพระองค์ได้แม้ว่าอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่สามารถยั่งยืนได้ในชีวิตของเราแต่มันเป็นความตั้งใจ เมื่อเรามีความตั้งใจเรามีใจให้กับพระเจา้าแล้วพระเจ้าก็มีทางครับพระเจ้ามีวิธีการของพระองค์ในการที่จะทําให้เรารักพระองค์ได้รักคนอื่นได้อย่างที่เราเป็นอยู่รักคนอื่นได้อย่างที่เขาเป็นอยู่เหมือนกันพี่น้องครับความรักก็อดทนนานและกระทําคุณให้หัวข้อในเช้าวันนี้คือรักและผูกพันในส่วนแรกผมได้กล่าวไปแล้วนะครับความรักแต่พอมาส่วนที่สองครับความผูกพัน พี่น้องครับความผูกพันภ า, าษาอังกฤษเรียกว่า o m ม i t m e n t ได้มีการทำวิจัยครับว่าในบรรดาคนไทยของเราเนี่ยนะครับถามว่าคอมมิชเมนนี่แปลว่าอะไรแปลตรงๆตัวไม่ค่อยชัดนะครับแต่มูผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการบอกว่าแปลว่าความยึดมั่นผูกพันความยึดมั่นและผูกพันตัวเองเข้ากับบางสิ่งบางอย่างคนบางคนเมื่อเรา มีคอมมิทเมนต์กับกับใครก็ตามเนี่ยเราจะยอมตัวของเราเนี่ยผูกพันยอมตัวผูกพันและยึดมันน่นในคนคนนั้นไม่เสื่อมคลายครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคนที่มีความยึดมั่นผูกพันเขาจะรักษาความยึดมั่นผูกพันไว้พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของความยึดมั่นผูกพันในทางจิตวิทยานั้นเขาได้วิเคราะห์ออกมาว่า ความยึดมั่นผูกพันหรือคอมมิชเมนนั้นมีสามระดับ3ระดับของความมิตของคอมมิชเมนระดับแรกก็คือเขาเรียกว่า ffective commitment ก็คือความยึดมั่นผูกพันที่เกิดจากความรู้สึกความรู้สึกรักความรู้สึกชอบพอมันเป็นความผูกพันทางด้านจิตใจจิตใจของคนหรือจิตใจของใครที่มีความผูกพันกับของบางสิ่งคนบางคนหรือแม้กระทั่งองค์กร ผ่านทางความรู้สึกความรู้สึกนี้มันจะนำไปถึงคอมมิชชั่นก็คือความรักความอบอุ่นความมึงพอใจเมื่อเข้ามาอยู่ในองค์กรนี้เมื่อเข้าอยู่ในคริสตจักรนี้เมื่อเข้ามารู้จักกับคนคนนี้แล้วจะเกิดความยึดมั่นผูกพันตัวเองเข้ากับคนบางคนนะครับคริสตจักรของพระเจ้างานบางอย่างผูกพันตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคณะนักร้องเนี่ยนะครับมีความชอบร้องเพลง เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเริ่มร้องเพลงเมื่อเขาเริ่มเล่นดนตรีเมื่อเขาฟังดนตรีของพระเจ้าพี่น้องครับคนเหล่านี้ก็ชอบและหลงไหลมีความพึงพอใจในสิ่งที่เขากาลังทำและสิ่งเหล่านี้นะครับมันนำไปสู่ความผูกพันตัวเองของตัวกับคณะนักร้องของตัวเองกับดนตรีคริสตจักของตัวเองกับการสรรเสริญพระเจ้านั่นคือ affective commitment เป็นการผูกพันยึดมั่นนะครับในระดับพื้นฐานเลยถ้าพี่น้องไม่ชอบคน น, นั้นมันไม่มีโอกาสที่เราจะมีคอมมิชเมนต์กับคน น, นั้นนะครับไม่ชอบองค์การนี้องค์กรนี้เราก็ไม่มีคอมมิ t เมนต์กับสิ่งนี้องค์กรนี้ของของของชิ้นนี้นั่นคือ effective commitment พี่น้องดูในรูปนะครับภาษาอังกฤษบอกว่า staying because you want to หมายความว่า คุณตัดสินใจที่จะอยู่เพราะว่าคุณอยากจะอยู่คุณต้องการที่จะอยู่นะครับนี่คือ affective commitment ด้านความรู้สึกนะครับทางขวาเมื่อครับก็บอกว่า my job is rewarding and I enjoy coming to work each day เวลาที่เราอยากจะทำงานเรามีความยึดมั่นผูกพันกับงานที่เราทำเรามีความสุขเรา enjoy ในสิ่งที่เราทำทุกวันทุกวัน นะครับเมื่ อ, อไรก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกเบื่ออะไรเกิดขึ้นครับคอมมิชแนนต์เราจะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆพี่น้องครับนี่คือตัวบ่งชี้ครับเมื่ อ, อไรก็ตามคอมมิชแนนต์ของเราลดมันเกิดจากเราไม่ค่อยรักงานที่เราทำแล้วล่ะมันเกิดจากบางสิ่งบางอย่างมันมีผลต่อความรักที่เราเคยรักองค์กรรักงานรักคนคนนั้นอยู่นั่นคือความยึมนั้นผูกพันในระดับพื้นฐานครับ ความยึดมั่นผูกพันในระดับที่สูงขึ้นก็คือความผูกพันยึดมั่นในการคงอยู่ในงานที่เราเรียกว่า continuance commitment เวลาที่คนคนหนึ่งนจะอยู่ในองค์กรยาวๆนะครับ4ี่ปีห0ปีในองค์กรนะครับเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปพบกับท่านผู้หนึ่งนะครับเป็นบริษัทใหญ่มากท่านมีลูกน้องคนหนึ่งบอกว่า ลูกน้องคนนี้ทำงานอยู่ในองค์กรเนี่ยนะฮะกว่าปีแล้วเมื่อท่านเลยอายุกเกษียณนะครับองค์กรนั้นบริษัท น, น, นั้นยังจ้างท่านอยู่และจ้างถึงขนาดไหนจ้างจนทังเมื่อไหรก็ตามคุณมามาบริษัทไม่ไหวนะครคุณก็กเกษียณไปนั่นคือบริษัทคนจีนนะครับหรือบริษัทญี่ปุ่นที่จ้างคนแบบนี้ไม่มีอายุกเกษียณครับคุณทํางานเรื่อยไปจนกระทั่งคุณวันไหนที่คุณทํางานไม่ไหวนั่นแหละครับคุณพัก พี่น้องครับถามว่าใครที่จะได้รับการเชื้อเชิญหรือถูกจ้างให้เป็นให้เป็นลูกจ้างหรือพนัก ง, งานบริษัทหรือแม้กระทั่ง c นะีโเนี่ยตลอดชีวิตของเขาถ้าเขาไม่มีการคงอยู่ในงานอย่างต่อเนื่องด้วยความยึดมั่นผูกพันเราเห็นนะครับว่าการคงอยู่ในงานอย่างต่อเนื่องด้วยความยึดมั่นผูกพันหรือเรียกว่า continuing commitment นะครับมันมาจากอะไร ในรูปภาพที่บอกว่า staying because you need to หมายความว่าคนเราจะอยู่นะครับอยู่ในความยึดมั่นผูกพันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความต้องการมันเป็นความต้องการว่านี่ฉันต้องการเงินเงินเดือนมาดํารงชีพนะฉันต้องการได้ผลประโยชน์หรือสื่อมผการนะที่จะทําให้ชีวิตของฉันเนี่ยดีขึ้นนะฉันต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตนะฉันต้องการที่จะรู้สึกว่าฉันเนี่ยมีความสําคัญนะ be longing ก็คือมีลักษณะที่ว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทและนบริการเนี่ยครับบริษัทก็นึกว่าเราเนี่ยนะครับเป็นหุ้นส่วนกับเขานั้นคือที่มาของคำว่าหุ้นลมครับหุ้นลมคือสิ่งที่บริษัทนั้นจะให้กับลูกจ้างของเขาเพื่อที่จะผูกพันในงานอย่างต่อเนื่องให้เกิดการคงอยู่ในงานพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองนะครับผมก็มาคิดถึงว่าพระเจ้า สร้างคอน t ิ n น e ยล e อนด์คอมมิทเมนต์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราถามว่าพระเจ้าสร้างยังไงครับเพราะพระเจนาของพระเจ้าได้บอกเล่าชัดเจนครับเมื่อเราแลกเรื่อมถวายตัวรับใช้พระเจ้าเมื่อเราแรกเรื่อมที่จะบอกว่าเราอยากจะเข้ามารับใช้จะต้องมีคอมมิ t เมนต์ที่เกิดจากการรักพระเจ้าก่อนพี่น้องคงจำได้นะครับว่าทุกคนที่เรารับใช้พระเจ้าอยู่ไม่ว่าจะส่วนใดก็ตามเนี่ยเราเริ่มต้นเพราะเนื่องจากเราทาตอบสนองความรัก เพราะเรารักพระเจ้าเราจึงอยากจะรับใช้พระองค์ใช่ไหมครับเรารักพระเจ้าเราจึงอยากจะมีคอมมิชเมนต์เราอยากจะผูกพันตัวเองยึดมั่นในความผูกพันนี้ตลอดไปแต่มันไปต่อไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเรากลับมามองชีวิตของเราการถวายตัวของเราเนี่ยเป็นแค่ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นมันไม่ต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เห็นคอนติเนวัลคอมมิชเมนต์ว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราต่อไปได้อย่างไร ต่พระกงมพีบอกเราชัดเจนครับว่าใครก็ตามที่สละชีวิตของตนสละพี่น้องสละบ้านเรือนสละไรนาของตนติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์พระองค์สัญญาที่จะดูแลชีวิตของเขาตลอดไปพี่น้อครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะยกชีวิตของผมให้พี่น้องฟังว่าก่อนหน้านั้นครอบครัวของเราเนี่ยอยู่ได้เพราะไรายได้จากการผมทำฟันเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาหรับเด็ก แต่พอเวลามาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลารายได้ของเราลดลงมากทีเดียวตัดศูนย์ออกตัวหนึง่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพระเจ้าได้ดูแลครอบครัวของเราแล้วเรารู้ว่าครอบครัวเรานนอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าการดูแลของพระเจ้า เ, เป็นการดูแลที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นคือทําให้เกิด Continu นนต์คอ m มิตเมนในชีวิตของครอบครัวของเราพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าหลายหครั้งก็ตามเวลาที่เราจะตัดสินใจรับใช้พระเจ้าเรามีคอมมิชแนนต์พ่อเรารักพระเจ้าแต่คอมมิชแนนต์เราเนี่ยเป็นเป็นพื้นฐานนะครับแต่ไม่ไม่สามารถยั่งยืนตลอดไปได้เพราะว่าเราขาดคอนติเนนต์คอมมิชแนนต์และคอนติเนนต์คอมมิชแนนต์เนี่ยจะมาจากการที่พระเจ้าการันตีพระเจ้ารับรองการทรงเรียกของพระองค์ที่มีมาถึงชีวิตของเราว่าพระเจ้าจะดูแลเราจนถึงสุดท้ายพระเจ้าจะดูแลเราจนกระทั่งถึงที่สุด และคนที่มอบชีวิตกับพระเจ้าชีวิตของเขาจะสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงพระเจ้าจะดูแลชีวิตขเขาพระเจ้าจะเป็นหลักประกันชีวิตของเขาและทำให้ไปถึงคอมมิชเมนท์ที่3ครับคือคอมมิชเมนท์ที่เกิดการยึดมั่นผูกพันในเชิงจริยธรรมเขาเรียกว่า normative commitment หรือเรียกว่า ethical commitment นะครับคอมมิเมน์นี้คือการผูกพันนอกจากอารมณ์ นะครับผูกพันด้านเหตุผลนะครับและผูกพันทางด้านความปรารถนาก็นํามาสู่ความยึดมั่นผูกพันที่สูงที่สุดครับสูงที่สุดนี้ก็คือว่าเราจะอยู่เพราะว่าเราควรจะอยู่ทีแรกๆเนี่ยเราอยู่เพราะเราต้องการอยู่เราอยากอยู่ใช่ไหมครับอันที่สองเราเราอยู่เพราะว่าเรามีความจําเป็นจะต้องอยู่ต่อไปนะครับ อันที่สามก็คือว่าเราอยู่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะอยู่นั่นคือเป็นความผูกพันยึดมั่นทางจริยธรรมหรือบรรทัดฐานนั่นเองพี่น้องครับเราดูนะครับในภาพนี้นะครับทางด้านขวามือเราะว่า My boss has invested so much time in training and mentoring me นั่นหมายควาว่าคนที่จะมีความผูกพันตรงนี้เขาจะเห็นพระคุณของพระเจ้าในการดูแล ในการเลี้ยงดูของพระเจ้านะฮะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะไม่รับใช้มันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะไม่ถวายตัวมันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะไม่ทําให้ดีขึ้นกว่านี้นั่นคือความผูกพันยึดมั่นครับพี่น้องครับสิ่งนี้นักวิชาการบอกว่ามันขาดในหมู่คนไทยในหมู่คนไทย ผมอยากจะบอกว่าความผูกพันทางด้านอารมณ์นะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจชอบมันทำให้ตัวเองมีคุณค่าเพราะงานที่เราทำงานที่เรารับใช้นะั้นเรารักที่จะทำแต่ความผูกพันในด้านการคงอยู่ในงานนั้นมีต้นกำเนิดมาจากว่าเราจะต้องชั่งผลได้ผลเสียพระเยซูสอนว่าถ้าคนที่ติดตามพระเยซูเป็นสาวกต้องนั่งลงคิดก่อนครับ ว่าจะได้อะไรบ้างเหมือนกับคนที่กำลังจะสร้างตึกเขาจะต้องคำนวณดูก่อนว่าเขาจะสร้างตึกนี้สาเร็จหรือไม่ในการติดตามพระเยซูต้นคิดนะครับต้องวางแผนต้องลงทุนในขณเดียวกันรพระเยซูก็ยกตัวอย่างอีกการติดตามพระเยซูก็เหมือนกับการทาสงครามถ้าเราคิดว่าเราไปสู้รบแล้วแพ้นี่นะัก็เจรจาสงบศึกเสียนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราจะต้อง นั่งช่างผลได้ผลเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนกันนั้นถ้าใครมีความโน้มเอียงที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเองเกิดประโยชน์ต่อครอบครัวเดลพัพพรพที่มาจากพระเจ้านั่นแหละครับจะนํามาซึ่งการผูกพันที่จะคงอยู่ได้นานและนําไปซึ่งความผูกพันจุดท้ายนี้ก็คือความผูกพันต่อเนื่องตลอดชีวิตอยู่บันบรรทัดฐานของจริยธรรมเป็นคุณธรรมของมนุษย์พี่น้องครับถ้าเรารู้จักมัสโลนะครับ เราเห็นว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์วิ่งไปทั้งหมดในห้าชั้นแต่คนที่จะยึดมั่นผูกพันในระดับสูงสุดด้านจริยธรรมได้ก็คือคนที่รู้จักตัวเองครับเรียกว่าตอบสนองต่อคุณค่าตัวเองรู้ว่าเราเกิดมาทําอะไรเราเกิดมาเป็นใครและจุดประสงค์มุ่งหมายสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นนั่นคืออะไรนั่นจะนํามาซึ่งการผูกพันตลอดชีวิตและเป็นความผูกพันที่สูงที่สุดก็คือเพราะเนื่องจากเราสมควรที่จะ รับใช้พระเจ้าเราสมควรที่จะขอบคุณพระเจ้า <_ c oughs> เมื่อพูดถึงตรงนี้นะครับหลายลายคนนะครับก็อาจจะบอกว่าผมเนี่ยก็ผูกพันเหมือนกันนะแต่ผมอยากจะชี้นะครับในประเด็นต่อไปขอภาพถัดไปนะครับพี่น้องครับในพระเจนะของพระเจ้าก็ได้มีข้อพระคัมภีรลูกาบทที่เก้าข้อห1 62อหสองอย่างนี้ครับบอกว่ามีคนมา ถามพระเยซูแล้วมาพูดกับพระเยซูบอกว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองก่อนไปลาก่อนะครขออนุญาตเวลานิดเดียวแล้วจะตามพระเยซูไปละครับขอภาพตัดไปนะครับพระเยซูตัดว่าถ้าผู้ใดเอามือจับคันไถ่แล้วหันหน้ากลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า พี่น้องครับถ้าใครได้ฟังเสียงสิทธิวิบาลเมื่อเช้านี่นะครับเป็นข้อคิดเช้าวันอาทิตย์ถ้าพี่น้องยังไม่ได้ฟังก็ขออนุญาตให้กลับไปฟังนะครับผมได้อธิบายว่ามีคนอยู่สามประเภทที่อยากจะรับใช้พระเจ้าอยากจะผูกพันตัวเองกับพระเจ้านี่นะและในที่สุดพระเยซูบอกว่าใครก็ตามที่เอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสียมือจับอยู่นะครับหันหน้ากลับนแค่หันหน้ากลับเนี่ย ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพี่น้องครับเราจะเห็นหนะในพัมพีนะมีคนหันหน้ากลับหลายคนนะครับยกอย่างเช่นภรรยาของโลดใช่หไหมหันหน้ากลับไปมองดูโสดมโกโมราเนี่ยปรากฏว่าเธอก็กลายเป็นเสาเกลือไปแล้วหันหน้ากลับไปอิสราเอลนี่ก็หันหน้ากลับไปที่อียิปต์นะครับเมื่ออิสราเอลนั้นเดินอยู่ในถิ่นทรกดานหันหน้ากลับไปมองอียิปต์บอกว่าโมเสศ นำพวกเขาเนี่ยมาอยู่ในสินกคโรนามันอดอยากมันยุ่งยากมันลําบากอยากจะกลับไปเป็นทาสก็ยังดีจึงเป็นที่มาว่าเอาอิสราเอลออกจากอียิปต์เนี่ยมันง่ายกว่าเอาอียิปต์ออกจากอิสราเอลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นี่เองเนี่ยพระเยซู บ, บอกว่าใครก็ตามที่ที่เอามือจากกนไทยหันหน้ากลับเนี่ยไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าไม่สมควรคือเขาจะไม่ได้รับนะครับ จะไม่ได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้านี่เป็นคาพูดที่รุนแรงนะครับพี่น้องครับการแค่มีส่วนร่วมนะการมาเข้ า, าศาสนานะครับไม่พอสาหรับคนของพระเจ้ามันไม่พอสำหรับคนที่บอกว่าตัวเองเป็นชาวสวรรค์เพราะว่าการแค่มีส่วนร่วมไม่เหมือนกับการยอมจำนนผูกพันตัวเอง าภาพตัดไปนะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าคำว่า o o ดบายเนี่ยนะเวลาที่เพร่อนพี่บอกว่าไปขอลาญาติพี่น้องก่อนภาษาจีนเนี่ยคำว่าลาก่อนไม่มีนะครับมีแต่คำว่าใจเจียนใจ้เจียนนี้แปลว่าซีอ a g เก n ก็คือซีอ a g เก n คือเราจะพบกันอีกเราจะพบกันอีกพระเยซู บ, บอกว่าให้เรา ที่จะสละชีวิตของเราเองสละบ้านเรือนสละไร่นาสละพี่น้องของเราเพื่อที่จะใจเียนเพื่อที่จะเจอกันอีกคำตอบของพระเยซูอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูกำลังบอกว่าให้ผู้ที่ติดตามพระองค์นั้นจะต้องกล่าวคำอําลาว่าใจเยนคือแล้วเราจะพบกันอีก และความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเนี่ยมันมีคุณค่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสัมพันธ์ของพระเยซูกับพระเยซูผู้ใดเอามือจับคันไถ่แล้วหันหน้าเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าการบอกลาครอบครัวและเพื่อนสถานที่โปรดและความคุ้นเคยการบอกลาการงานและชีวิตความเป็นอยู่นั้นเป็นเรื่องยากครับแต่พระเจ้าได้อธิบายถึงมูลค่า ของการเป็นสาวกของพระองค์พระเยซูกำลังบอกให้ผู้ติดตามพระองค์กล่าวคําอําลาในทุกสิ่งเพื่อที่จะใช่เชียนเพื่อที่จะพบกันใหม่เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าอะไรครับเมื่อเขาติดตามพระเยซูเขาเาพระเยซูมาก่อนผู้นั้นจะได้รับตอบแทนร้อยเท่าเขาจะมีพี่น้องพ่อแม่เพิ่มขึ้นมากมายเขาจะมีบ้านเรือนไร่านาเพิ่มขึ้นมากมาย ผมได้เคยพูดและเคยเทศนาในที่นี้เมื่อหลายปีก่อนว่าผมมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับท่านไม่มีญาติพี่น้องเลยเพราะว่าท่านเป็นมิชรีมาจากต่างประเทศมาจากอเมริกาเป็นหมอท่านสละชีวิตของหมอเข้ามาเป็นมิชรีสอนพระกัมพีท่านตั้งทรคฤหจักมากมายครับและลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นลูกศิษย์ของท่านมากมายท่านได้เป็นพยานครับด้วยความถ่อมใจบอกว่าเวลาเนี้ยขอบคุณพระเจ้าผมอยู่ผมอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะว่าผมมีบ้านอยู่ทุกๆจังหวัด เพราะว่ามีผู้รับใช้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นผู้ที่กลับใจจากการรับใช้ของท่านนะมีอยู่ทั่วทุกจังหวัดเลยครับไปที่จังหวัดไหนอำเภอไหนมีบ้านให้อยู่มีไปที่จังหวัดไหนอำเภอไห น, น, หไห น, ไหนก็มีคนเรียกพ่อไปที่ไหนจังหวัดไหนก็จะมีคนที่เป็นลูกไปที่ไหนจังหวัดไหนก็จะมีคนที่คอยดูแลท่านนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าการันตีบอกว่านี่คือร้อยเท่าและเห็นจริงในชีวิตของ ท่านผู้นี้ซึ่งเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการผูกพันตัวเองด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากและจะ้องพัฒนาขึ้นไปถึงจุดที่ว่าเราสมควรที่จะรับใช้พระเจ้าเราสมควรที่จะผูกพันชีวิตของเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าขอภาพถัดไปครับภาษาอังกฤษบอกว่า the difference between involvement and commitment is like ham and e g g เหมือนกับหมูแฮมนะครับแล้วก็ไข่ไก่ The chicken is involved but the pig is committed พี่น้องครับมีการคุยกันครับบอกว่าระหว่างน้องไก่กับพี่หมูเขาเนี่ยอยากจะไปเปิดร้านแซนด์วิชนะชุดนะ Should we open a restaurant? I don't know what would be called เราจะไปเปิดพัฒดาคาด้วยกันนะร้านอาหารนะน้น้องไก่ก็บอกว่า how about ham and eggs เปิดร้านขายอะไรครับแซนด์วิชใช่ไหมครับขายหมูแฮมแล้วก็ขายไขย่ไก่ใช่ไหมครับนพี่หมูบอกว่าครับ no thanks to be committed I commit หมายความว่าฉันเนี่ยจะต้องเสียชีวิตนะแต่แกเนี่ยแค่ออกไข่เท่านั้นเองเห็น ไ, ไหมครับ น้องไก่เนี่ยนะครับแค่อินโวล์แต่ว่าพี่หมูเป็นไงครับตายนั่นคือความหมายของ involvement and commitment c o m m ค t m e n t นี่คือการเสียสละชีวิตครับอุทิศตัวถวายพระเจ้าแต่แค่ i n v o l v e นะครับมาแบบชิวๆครับแล้วก็ไปแบบชิวๆมาแบบชิวๆไปแบบชิวๆนี่คือ involvement แต่ว่า commitment คือสิ่งที่พระเยซูต้องการจากสาวกของพระองค์ และพระองค์ต้องการให้เราสละชีวิตติด ต, ตามพระเยซูไปนี่คือคอมมิชเมนต์ขอภาพถัดไปครับ What if I am committed as well I don't see how you could be ถ้าถ้า ถ, ถ้าฉันจะคอมมิชทำยังไงล่ะนะครับถ้าจะคอมมิชเป็นไง mm hmm. I know we can open a lunch place called Wings and Ribs เปิดพัตตาคารครับขายปีกไก่ แล้วก็ขายซี่โครงหมูซี่โครงหมูอบนะครับกับปีกไก่ทอดนั่นแหละครับคือคอมมิชเมนพี่น้องครับคริสจักรของพระเจ้านะครับต้องเป็นอะไรครับร้านขายไก่ทอดและพัตการขายซี่โครงหมูอบนั่นคือคริสจักรของพระเจ้าเพราะว่าเต็มไปด้วยคนที่คอมมิชคนที่ผูกพันตัวเองกับพระองค์ นี่คือพระเจ้านะของพระเจ้าในเช้าวันนี้สรุปแล้วนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับที่ประเทศเฮติมีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งเขาอยากจะขายบ้านราคาสองพันยูดอลลาร์แต่คนที่มาซื้อบ้านเนี่ยนะครับเขาเงินไม่พอเขาก็ต่อรองกันไปต่อรองกันมาใที่สุดเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับตกลงขาย ลดลงลดราคาครึ่งเดียวเหลือหนึ่พันดอลลาร์นะครับแต่มีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งคือว่าทุกอย่างในบ้านนี้เป็นของเจ้าของใหม่หมดเลยในราคาหนึ่พันดอลลาร์ขอแค่ตะปูตัวเดียวที่ตอกอยู่ที่ฝาบ้านขอแค่ตะปูตัวเดียวตะปูตัวนี้เป็นของเจ้าของเดิมที่กําลังจะขายบ้านให้เจ้าของใหม่เขาขอแค่นี้เองครับเงื่อนไขของเขาก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เขาอยากจะซื้อบ้านคืนนะคุณต้องขายให้เขา เงื่อนไขแค่นี้เองผมยอมขายให้คุณแต่ผมเนี่ยขอตะปูตัวเดียวตอกอยู่ที่ฝาบ้า น, นั้งคุณและขอสัญญาว่าเมื่อไหรก็ตามเนี่ยที่ผมต้องการบ้านเนี่ยคุณขายคืนได้ในราคา 2,000 เหรียญหรือมากกว่าก็บวกเอานะครับแต่พอเวลามาถึงครับหลังจากที่เขาของเซ็นสัญญาเวลาผ่านไปหลายปีเจ้าของเดิมนั้นอยากจะซื้อบ้านนี้คืนครับแต่เจ้าของใหม่ เ, เจ้าของณปัจจุบันเขาไม่ยอมขายคืน ทำไงครับเจ้าของเก่านะครับก็ไปเอาของเหม็นๆซากสุนัขซากศพซากศพซากศพที่ตายแล้วนะไปแขวนไวิธีตะปูตัวนั้นนะครับแขวนทุกวันแขวนทุกวันแขวนทุกวันแขวนทุกวันจนทั่งหนที่สุดเจ้าของใหม่เนี่ยต้องยอมขายบ้านคืนให้กับเจ้าของเก่า เขาไปเอาของเหม็นเหม็นไปแขวนไว้ครับเพราะปลาตะปูตัวนั้นนะครมันเป็นสิทธิที่มันเป็นใครเป็นเจ้าของครับเจ้าของเก่าเป็นเจ้าของเขาตอกไว้ที่ฝาบ้านเลยครับและเขาวันหนึงก็เอาเอาซากสัตว์นะเอาของเหมนเ็นเหม็นไปแขวนแขวนแขวนแขวนแขวนทุกๆวันจนกระทั่งเจ้าของใหม่นี้ทนไม่ไหวและเขาต้องขายบ้านเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงผมไม่ทราบแต่เป็นเรื่องเล่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังครับถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเรายอมให้ตะปูตัวนึงเนี่ยมาตอกเข้ามาในชีวิตของเรานะแล้วมันซาตานเนี่ยมันก็เอาของเป็นเหม็นมาแขวนแขวนแขวนชีวิตของเราเนี่ยจะถูกทำลายเพราะอะไรครับเพราะตะปูตัวเดียวที่เราไม่ยอมถอนออกไปตะปูตัวเดียวไปตะปูตะปูตัวนั้นที่เราไม่ยังถอนออกไปนั่นหมายความว่าการที่เราจะถวายพระเจ้าเนี่ย การที่เราจะผูกพันตัวเองยึดมั่นกับพระองค์เนี่ยมันต้องถวายทั้งชีวิตมันต้องถวายทั้งชีวิตบางสิ่งมื่ออย่างมันเกาะอยู่นะครับแล้วมันทําให้เราไม่สามารถถวายทั้งชีวิตได้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทําลายคอมมิชเมนต์ของเราในที่สุดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะผูกพันตัวเองเรารู้ว่าเราเกิดจากความรักของพระเจ้าก่อนตามความด้วยตามด้วยความมั่นใจในการเลี้ยงดูของพระองค์และในที่สุดนั้นจะทําให้เราเกิดความปรารถนา ให้เรารู้ว่าเราเองนั้นจะต้องสมควรเตียยตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าและความรักของพระองค์เพื่อที่เราจะเป็นสาวกที่รักพระเจ้าได้อย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดรับใช้พระเจ้าได้อย่างยั่งยืนและตระหนักถึงคุณค่าและความเป็นลูกของพระเจ้าที่มีศักดิ์ศรีสูงส่งได้ในที่สุดอาเมน